แต่นี่ก็มีสำหรับบางคนต้าหาเงินถ้าเป็นเงินตาคนมีทรัพย์ภายในก็มีความฉลาดมีเครื่องมือเหมือนกันแต่เครื่องมือในการหาทรัพย์ภายในไม่ต้องหอบต้องหิ้มีศรัทธามีความเพียรมีสติ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 เลบควาไม่หลงไม่เขาลบควาหลงไม่ทาตามความหลงมันหลงเวลาใดไม่ทาตามมานมีชามีความไม่หลงอานมาตงนี้เมื่อวันทุกมีชะตาตกวไม่ทุกเมื่อมันโกรธมีชะตาตกาไม่โกรธ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 น่าจะเป็นจากนั้นมัม น, น่าจะเป็นอย่างนี้ไปดยงงานความหลงเป็นนวิชามืดปลอดไปเพาไม่เคยฝึกไว้นั่นหรือว่าไม่มีเครื่องมือในความเพียรก็เปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงก็ามากไม่ยอมเด็ดขาดหลงเป็นหลง ถ้าเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนี่เรียกว่าความเพียรไม่ใช่อาบเหง่ออยู่ในอรีบวดใดก็ได้นอนอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้ยืนอยู่เดิอนอยู่ก็ได้เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์คือความเพียร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 โลกจงสมถานของโลกโลกจดยาก็ใช่ยาโ <c oughs> ลกจดหลงใช่ความไม่หลงโลกจดทุกข์ใช่ความไม่ทุกข์โลกจดโกรธใช่ความไม่โกรธสนุกตรงนี้มันเป็นชีวิตชีวา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 ใมันรูอยู่วันนี้่อเราท่องหนังสือสัตยาพสูจนติดปากตอนเช้าตื่นขึ้นมากรรมอาสาที่อาพสูบเราห้องสมาสมบุติท ธ, ธพักวอออกมาจากกิจใจของเราความรู้สึกภายในเราห้องสมบัตุท ธ, ธพักวอรเหมือนเราอยู่นั่งต่อหน้าพระพักของพู้เจ้า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 ยิงงานทายิ่งเวลาใดมันคิดอดีจะได้รู้จะได้เปลี่ยนวันเทิมันรู้จะเอาเป็นเรื่องยากมีงานแล้วกระโดดใส่กระโจนใส่นี่หรือนี่หรือที่เขาหรือว่ามันเจง๋งคิดเลยลองดูพุกเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้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 เราเข้าถึงจ um you know? okay. right, yeah. no. no. okay. ุดน no. okay. okay. sure sure no. okay. ี้ในหัวใจมาคิดอยู่จำกันอยู่ท่องยังกันอยู่เกิงอะไรล้วก็รู้หมดใ่ทั้งหมดเหมือนพระอะไรฮะพระโพธิละใช่ไหมหลวงพ่อกรมอ๋ โอ้โทิละหรโหทีละโกทีล ะ, ล ะ, ละต่นั่งอยู่ครอะไรพวกนี้มาเอาุด ต, ตังเอกซงแงสยง์ยังประกวเอาเอาสิเอามุดตังสูตรนี้มาจากคำสอนพระเจ้าสอนที่นั่นสอนทนี่นีเรื่องที่นั่นเรื่อ ง, องนี้จำได้แม่นยมเป็นปฏิปิบกเคลื่อนที่ แต่ไม่เอกมาสอนตัวเองมีทิฏฐิมานะแข่งกันด้วยปาดประหารด้วยคำพูดด้วยเพือพืว่ออาทาโ อ, อ้วอดพระทั้งหลายก็กลัวแล้วพวกกับโพธิละวิรายก็เอวเมสุดตังเอกังปะขวเอามานำหน้าไม่ได้บอกว่ามันหลงไหมท่านอันหลงเหรออ้าเปลี่ยนหลงเป็นลูกก็ได้นะต้องเปลี่ยนดูวิ ไม่ใัยพูดอย่างนี้พุทธิลักษณ์ไบะเมชุดตังไอกลางสมยังเจ้าส่องแสงว่ากายนานุปัสสีประธานสถีนี้อ้าวหนุษ ไ, ไม่มีใครเคารพนับถือไปพรบพุทธเจ้าเอเดินใดพุทเจ้าไปพรบพุทธเจ้ามาแล้วหรือภิกษุใบลานเป่า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 ออกมาก็จับจับที่แรกไม่อยู่นะใช่ไหมแนวตัวเล็กจับหนูตัวใหญ่ไม่อยู่จับอยู่ไหมฮะไปถึงไหนคิดออกมาไปถึงบ้านน่ะไปถึงเกาะชีจังนะไปแล้วจับไม่อยู่ทำไงฮะ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 ติดประตูประตูก็เกือบจะถึงเสือน้ำมันแต่หนูไม่พยายามจะเข้าไปมากัดเสือน้ำมันมันก็ทุกข์สุนขนาดนั้นหลวงพ่อเทียนนายบอกว่ า, วาเลี้ยงแมวให้บรรโตรู้จากเลี้ยงแมวให้โตไหมทํงางานรู้จักตัวรู้จักตัว <c oughs> <c oughs> เลี้ยงแมว <c oughs>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 เหมือนหมาขู่เสือพอหมาได้กินเสือเอ อ, อวิ่งไม่เป็นเลยมันแพร่กันเหมือนอนบางคนจับกูงูแพร่นะจอดอยู่นั่งพองเนี่ยชื่ออะไรนะั่งองูเห็นก่ปกุปกเปกียกปุกเปียกเลยมันแพร่กันอ่า <c oughs> <c oughs> น้อก็มีนะงูจงอางเห็นนะเห็นพอแปะแปะไปเลยบางทีเขาบอกว่าเาเห็นงูจงอางเราเห็นงูล้วก็โอ้ยเรางังบกงอะไรก็ฮะเขาบบับกปดมานะ้งูจงอางแพ่ไปเลยพอได้ยินใช่ไปลอดเลยเลยแพ่ไปเลยนะ แลวงตาจึงเห็นพระคุณวิคุณประสิทธิ์ดบ้านหว้วยวานไปไปบวชอยู่ด้วยน้องตาก็เดินจงกรมเหนื่อยนั่งอยู่กลาทางเนือยจงกรมนอนลงไปก็นอนลงไปสมัยนั้นใช้ชีวิตเหมือนหมาตัวหนึ่ง ไม่ระวังระวังอะไรเหมือนหมาถ้าเหนื่อยหมดเลี้ยวหมดแล้วนอนบนทางเดินอย่างผมไปไอ้สิทธิ์เนี่พระสิทธิ์นี่ยปพระประชิดเนี่ยจิตไม่ใช่สิทธิ์คุณจิตกู เ, เจกไหมไว่าแปะวันไหววันไฟอะโลกไฟไอหมาครับหมาหลานพระโมกเศรษฐี เลยข้าบเป็นหมื่นเลยข้าบเป็นหมื่นปิน๊บอาจารย์อาจารย์งูงูจะข้ามนะอาจารย์อาจารย์อยู่นิ่งๆ น, นะนึกว่ามันเรียกใครอาจารย์นอนอยู่นะอาจารย์เขียนอาจารย์เขียนงูเลื่อยไปมันจะข้ามนะแล้วก็อนอนอยู่นิ่งๆ ไอเช็ดในมาวิ่งมาเร่งมาพัวจับผางงูเลยงูโดดเอ้บบอกว่าบางบังบงงูมละมันบางงมัละมันก็ไปโดไล่จับผางมันบังคับไม่ไปมันจะเลื่อนมาท้ามันจับผางได้เอส่งมันก็ป่าไปใครจะกล้าจับหางงูใหญ่ทวๆอัน้นดีเหมือนกับเสือแมวเหมือนใหญ่ หนูตูวเล็กนะว่ามันเห็นแมวมันก็ช็อกเลยหลองพ่อเถือนพูดเองได้ยินหลองพ่อเถือนพูดคำนีเอ๊ะเอ๊พอมีเสียงเก่งนะเพียงกิเลสเกิดขึ้นอื้วตอนเดี๋ยวกลัวแล้วเฉยๆหน้าบูดหน้าเบ่งอดทนอดทนก็วันล้วนอนอยู่แต่มันมีนะ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 เราก็สนุกฟังเสือหลอกลกันนนะ้อยฟังแ น, นอวเสียงเสือไม่ได้ดกล่ว อ, อันนี้น้อยสองรวมเงิ น, นล้วกันลองให้แล้วกลัวไหมได้ยินเสียงเสือได้กลิกน <laughs> ก่นก็ไม่กลัวนะเคยได้กลิ่นเสือนะอันนี้ตัวจริงนะไม่ใช่ไมใช่ธรามนะ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 เดินขึ้นมาได้กินเสือไม่เคยได้กินเสือแต่พอได้กิ่นโลจากอันนี้ไม่กินเสือนะอืมกลัวไหมเห <c oughs> มือนหมาหรือเราเนะ่ยไม่ใช่หมาหเนี่ยพร ะ, น, ะนั่นน่ยกลัวรู้ขึ้นนั่งแล้ว น, นั่งอ่ะเ ม, ม้มองตาเม้มสีขาวนะ อมม่งสีดํำสือตุก ว, วันเนี่ยมุ่งพระกรรมฐานเนี่ยใช่ไม่ได้นะเนี่ยสีดำดำสีกะกะเนี่ยอย่าไปอยู่ในป่านะพวกอยู่ในป่าต้องมุ่งสีขาวๆเหมือนกับผ้าะเมื่อกีน้นะจุ ด, ดไทรจุดตะเกียงตั้งเลยนยจุดเทียนไขต้องมีเทียนไข่จุดตั้งว่ากระมองว่ากระห ม, อมอ่มองมันอยู่ที่ไหนคงอยู่ใกล้ๆ น, นี่แหละ <laughs> มีกินน่ไม่ใช่ใกล้เลนะม <c oughs> องแวเห็นนั่งถึงมึนนี่ยเอาปันนี่พอกันคนละเอ้น่ะเสือน่ะอาจารย์น่นะม า, มามามาเราจุดเทียนดูก็พึบพิบพบลุกไปเลยพลุกไปก็ไม่นอนแล้วนะนั่งเทียนเนี่ยก็นอนลงไปก็นอนเอาเทียนก็้ามา <laughs> ไม่วออวางว่างนี่นะเ <c oughs> อามาที่มันรับอ่ะใช่ไหม <c oughs> แล้วก็หนาะเทียดเลรเนาะสว่าตีนบาดสว่างนะเ <c oughs> สือจะกัดคนน่มันกัดตอนตอนแย่งความสว่างกับความมืดเน่มันจะกัดคนตรงนี้แล้วก็เหลียนโลว่างได้เห็นคนเท่าคนแจ แสงอาทิตย์ส่องป่าพอเห็นแสงอาทิตย์แก่ ง, งหมดดอกมีแสงแดดแสงอะไรผ่านมาไอลูกเก็บมุ้งเก็บมุ้งทับมุ้งใส่บาดพายบาดออกมาเดินมาหาบ้านตอนกางดงพอมาหาบ้านตอนออามารับบาทข <c oughs> ึ้นไป บ, บนบ้าน